นี้เรียกว่ารูปที่เป็นปัจจุบัน 4. รูปที่เป็นภายในตนเป็นฉนะัยรูปใดของสัตว์นั้นๆที่เป็นภายในตนมีเฉพาะตนเกิดในตนมีเฉพาะบุคคลที่กรรมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึดถือได้แก่มหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่นี้เรียกว่ารูปที่เป็นภายในตน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 รูปหยาบเป็นไนจักขายะตนะโพธพายตนะนี้เรียกว่ารูปหยาบรูปละเอียดเป็นไนอิทธินสีกวาลิงการาหานนี้เรียกว่ารูปละเอียดหกรูปชั้นต่ำเป็นไนรูปใดของสัตว์นั้นที่หน้าดูมินหน้าเหยียดหยามหน้าเกลียดหน้าตำหนิไม่น่ายกย่อง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 พึงทราบเวทนาหยาบเวทนาละเอียดโดยอาศัยเทียบเคียงเวทนานั้นๆเป็นชั้นๆไปสิบสอเวทนาชั้นต่ำเวทนาชั้นประนีเป็นฉไนะเวทนาที่เป็นอกุศลเป็นเวทนาชั้นต่ำเวทนาที่เป็นกุศลและอัพยากฤิเป็นเวทนาชั้นประนี เวทนาที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นเวทนาชั้นต่ำเวทนาที่เป็นอัพยากริตเป็นเวทนาชั้นประณีตทุกขเวทนาเป็นเวทนาชั้นต่ำสุขเวทนาและอทุกขะมสุขเวทนาเป็นเวทนาชั้นประณีตสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นเวทนาชั้นต่ำอทุกขะมสุขเวทนาเป็นเวทนาชั้นประณีต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 13. เวทนาไกลเป็นไนะเวทนาที่เป็นอกุศลเป็นเวทนาไกลจากเวทนาที่เป็นกุศลและอัพยากฤรเวทนาที่เป็นกุศลและอัพยากฤรเป็นเวทนาไกลจากเวทนาที่เป็นอกุศลเวทนาที่เป็นกุศลเป็นเวทนาไกลจากเวทนาที่เป็นอกุศลและอัพยากฤรเวทนาที่เป็นอกุศลและอัพยากฤต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 เวทนาที่เป็นอัพพยากฤิตเป็นเวทนาใกล้กับเวทนาที่เป็นอัพพยากฤิตทุกขเวทนาเป็นเวทนาใกล้กับทุกขเวทนาสุขเวทนาเป็นเวทนาใกล้กับสุขเวทนาอทุกรรมสุขเวทนาเป็นเวทนาใกล้กับอัตุกรรมสุขเวทนาเวทนาของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นเวทนาใกล้กับเวทนา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 และอัพยากฤิตเป็นสัญญาละเอียดสัญญาที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นสัญญาหยาบสัญญาที่เป็นอัพยากฤิตเป็นสัญญาละเอียดสัญญาที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นสัญญาหยาบสัญญาที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและอทุกขมะสุขเวทนาเป็นสัญญาละเอียด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 เป็นสัญญาละเอียดพึงทราบสัญญาหยาบสัญญาละเอียดโดยอาศัยเทียบเคียงสัญญานั้นๆเป็นชั้นๆไปสิบแปดสัญญาชั้นต่ำสัญญาชั้นประนีเป็นไฉหนะสัญญาที่เป็นอกุศลเป็นสัญญาชั้นต่ำสัญญาที่เป็นกุศลและอัพยากลิศเป็นสัญญาชั้นประนี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 พึงทราบสัญญาชั้นต่ำสัญญาชั้นประนีโดยอาศัยเทียบเคียงสัญญานั้นๆเป็นชั้นๆไปสิบเกสัญญาไกลเป็นฉไนะสัญญาที่เป็นอกุศลเป็นสัญญาไกลาจากสัญญาที่เป็นกุศลและอัพยกฤตสัญญาที่เป็นกุศลและอัพยกริษ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 ด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาสัญญาที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมะสุขเวทนาสัญญาของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นสัญญาไกลจากสัญญาของผู้เข้าสมาบัติสัญญาของผู้เข้าสมาบัตเป็นสัญญาไกลจากสัญญาของผู้ไม่เข้าสมาบัต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 วิญญาณชั้นประณีวิญญาณไกลหรือวิญญาณใกล้ประมวลย่อเข้าเป็นกองเดียวกันนี้เรียกว่าวิญญาณขัน 27. ในวิญญาณขันนั้นวิญญาณที่เป็นอดีตเป็นฉนะันวิญญาณใดล่วงไปแล้วดับไปแล้วปราศจากไปแล้วแปรไปแล้วถึงความดับแล้ว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 วิญญาณที่เป็นภายนอกตน29สาวิญญาณหยาบวิญญาณละเอียดเป็นไนวิญญาณที่เป็นอกุศลเป็นวิญญาณหยาบวิญญาณที่เป็นกุศลและอัพยากริตเป็นวิญญาณละเอียดวิญญาณที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นวิญญาณหยาบวิญญาณที่เป็นอัพยากฤิตเป็นวิญญาณละเอียด